วิจิตรเขาเลยเป็นวิจิตรที่จะเดินเดินจิตแล้วก็ให้ทุกเรื่นี่หลักการจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครแม้เดินขึ้นมากระต่าเราสนุดจิดอยู่เรามีจิตนี่คือปฏิบัติทํามโดยตรงเลยไม่แค่จะต้องไปถึงสถานที่ตรงนั้นตรงนี้แล้วค่อยปฏิบัติมันตลอดเวลาเลย เพราถ้าหามว่าเราสมมติเราเวลาไหนเวลานั้นคนือปฏิบัติพอเราเดินขึ้นมามันเหนื่อยคนรู้ว่านีเนี่ยก็เป็นในธนาคางกายมันก็รูล้เสร็แล้วตัวจิตก็เป็นธาตุรู้เป็นตัวดูทีนี้พอมาถึงแล้วมก็ยิ่งดีเรายิ่งสามารถเอาจิตเข้าไปเจอะดูใหร่างกายมันก็เลยเหมือนเครื่องจักรเครื่อง ย, ยงนต์ รททตรงนี้ก็เต้นสุกตับุดตับตรงนี้ก็ยุบยับยุบยับตรงนี้ก็มีอาการต่างๆการหายใจก็แรงหัวใจก็สูดขีดเลาหดเร็วขึ้นปอดก็ปอดเราหดเร็วขึ้นไตก็ทํางานเร็วขึ้นสภาพร่างกายทุกส่วนทุกตับทํางานกันเต็มที่เรานั่งดูเครื่องจับเครื่องดินแต่ตัวจิตเนี่ยมันจะได้รู้สักทีหนึ่ง ว่า น, นี่นะไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของมือจําเอาไว้ให้ดูจ้ะนี่แหละเครื่องจับเครื่องยนต์เหมือนเหมือนเครื่องยนต์กลไกที่มันทํางานเนี่ยมันจสนุกดูนะถ้าหากว่ามันพนาขึ้นมาให้เห็นนะเพราะฉะนั้นไยเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยอยู่พอเราสำรวมปั๊บธรรมะมันอยู่กับเราทานนันทีเห็นธรรมะเกิดขึ้นแต่ธรรมะก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติของร่างกายเรานี่แหละอาจิตตัวนี้มันจะได้ไปเห็นว่านี่ธรรมชาติเห็นไหมหนไหมก่อเราเดินสูงหน่อยเดือดลมก็เริ่มขึ่ข้ามขึ้นไหมแล้วหัวใจตัวต้องทำงานเร็วขึ้นเพื่อที่จะให้เลือดไปเลี้ยงสมองให้ทำ เพื่อให้พวกออกซิเจนหรืออะไรต่ออะไรนี่แหละสารเคมีในเลือดในอะไรเนี่ยมันไปหล่อเลี้ยงร่างกายให้สภาพร่างกายนี้ทนทานอยู่ได้มัน ก, ก็ไม่มีในร่างกายนี้เอเป็นธรรมชาติให้เราก็เกบไปบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการทีนี้ธรรมชาติของร่างกายมันก็แสดงธรรมชาติของมันเราก็เลยว่ามีโอกาส ให้จิตของเราได้มาดูธรรมชาติของราา่างกายเคยไปอยู่ที่ภูผาพุ่งสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นวัดต่าภูผาพุ่งสมยยัยเหมือนสมัยเดียวนี้ขึ้นไปอยู่บนถ้ำเขาเรียกว่าถ้าผาโกงถ้ำผา โ, ผาโกงก็คือโยกปูโกงมาขึ้นไปพับอยู่ที่นั่นเป็นถ้ำยาว เย่นี้เวลาไปบินท บ, บาทเดินทางไปก็หกกิโลกับหกกิโลตอนขึ้นเขาเนี่ยโอมย้มันสูงมันสูงกว่านี้เยอะพอเราเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปมันก็เหนื่อยก็ค่อยเดินเดินไปตามจังหวะของภาวะจิตใจของเราเหมือนใครเดินขึ้นมาเนี่ยใครก็เดินตามกําลังของตัวเองกําลังของสมาธิจิตใช้สติใช้สมาธิควบคุมระบบ ของกายของจิตเดินไปพร้อมๆกันเหมือนต่อจมาดื่มไปในตัวเลยเดินไปแล้วก็จะเห็นสภาพธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยเลือดลมมันวิ่งพุ่งผ่านยังไงหัวใจมันทํางานยังไงปอดมันทํางานยังไงพวกสภาพสัตว์พรางร่างกายของเราเนี่ยมันปรับตัวยังไงเราเห็นม เห็ใจพวกเราก็วางเฉยก็รู้สือว่าสภาพร่างกายมันเป็นอย่างอมันก็เห็นความเป็นธรรมดาของร่างกายเห็นว่าร่างกายมันก็ทํางานก็้ามันไปยิ่งท่านเรานั่งลงไปอย่างเนี้ยถ้าหากว่าร่างกายมันมีทํางานประชามปกติสติพวกเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากอ่ะสติแค่คุมจิตจอดูลงไปด้วยจิตเนี่ยถ้ารู้หรือผู้รู้ดูลงไป ในร่างกายก็เลยเหมือนเครื่องจับเครื่องยนต์เลยทีนี้ดูไปดูไปพอถ้ากำลังมันมากพอเนี่ยมันเหมือนมันต่อคือตอนดูนี่มันยังไม่ได้ต่อเลยนะมันยังตามดูกันอยู่ดูกันอยู่ดูกันอยู่ขณะที่ดูเนี่ยสติมันก็จะเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยไเรื่อยไปเรื่อยนี่คืเขาเรียกว่าเป็นสปินซีสปินซีนี่หมายว่ามันเป็นใหญ่ในการนี้ในการรับรู้ในการ มันรึกรู้มันเริึมรู้อยู่ที่สภาวะที่ชัดเจนในขนาด น, นั้นแต่ภาษาธรรมะจะเริยกิตกก็ได้เวลามันจะดูอะไรที่ชัดเจนแบบเป็นวิตกแล้วก็พยายามให้มันอยู่มีอารมณ์เดียวในเดียววิจารก็ได้เนี่ยทีนี้มันจะจออยู่กับอารมณ์เดียวนานขึ้นสติกกมีกําลังขึ้นมาสติซีเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมีกําลังเพิ่มขึ้นมีสติกกรตรงไหนสมาธิก็อยู่ตรงนั้นจิตก็จะมีกําลังของสมาธิเขามาเสริม ในขณะนั้นเรารู้ด้วยว่าเป็นสภาพของร่างกายเหมือนไม่ใช่ของเราอะ่ะเป็นสภาพของร่างกายแต่โจปัญญาก็มีขึ้นมาในขณะที่เราดูเนี่แหละบางครั้เขาเรียกว่าพิจารณาคําว่าพิจารณาเนี่ ย, วว ย, ย, นานายไม่ใช่ว่าคิดบางทีก็คิดบางทีก็ไม่ก็คิดแต่ว่าขณะที่ดูอยู่นะมันรู้มันรู้ไปเองมันรู้โดยจิตของเราเองมันรู้อยู่แต่ก็ดู ความรู้ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งดูได้นานมันก็ยิ่งเห็นชัดแจ้งขึ้นเพราะนตัวสมาธิก็เลยจําเป็นสมาธิก็เลยจําเป็นสติสมาธิปัญญาก็เกิดดูความเพียรความพยายามความอดทนที่เข้าดูมันก็เพิ่มกําลังให้จิตของเราความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นมาด้วยเพราะมันมันเห็นโคมเหนือ เมือ่อถ้าหาว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ ย, ม, ม, ยมันมีคุณภ่าต่อจิตใจของเราทีมันมีผลต่อจิตใจของเราทีจิตใเจใเราก็สติเรามีกําลังเพิ่มขึ้นสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตก็มีกำลังเพิ่มขึ้นปัญญาที่มันดูอยู่ตัวดูก็เป็นอันหนึ่งสื่อดูก็เป็นอันหนึ่งมันก็เย่อออกไปความยึดความจิดความเข้องก็ค่อยๆคลายออก จิตมันก็เริ่มที่จะเป็นอิสระมากขึ้นเรือๆอาการต่างๆของร่างกายสุดท้ายมันก็เลยอยู่ธรรมชาติตังมันส่วนตัวจิตมันเหมือนแยกออกมาค้อยออกมาเพราะฉะนั้นมั น, ม, นมันลำดับของการปฏิบัติเนี่ยมันจึงมีมีหลายลำดับเหมืกันแบบหมาว่าช่วงแรกๆนี้ดูไปก่อนอะไรเกิดขึ้นก็ไปดูไปรู้ให้จิตเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแต่พอเห็นถ้ากําลังมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จิตมันจะค่อยๆค่อยๆปล่อยค่อยๆป่อยเหมือนกับมันถอยเข้ามาอยู่กัจิตอ่ะสติม like ีกําลังแล้วสมายถึงว่าจิตเราเริ่มมีกําลังแล้วสมาธิมีกําลังเนจิตเราเริ่มมีกําลังปัญญามีกําลังเริ่มมีกําลังขึ้นมาเรืยๆเกิจิตเนี่ยเพราะนั้นมันต้องอาศัยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องอยากสติมีกําลังเนี่ยก็คือหมายว่าจิตเรามีกําลังคือมีสติเข้าไปประกอบอยู่ในจิต เป็นกำลังของจิตเรียกว่าสติพละต่อไปมันเป็นกำลังคือสตินี่คือกำลังของจิตนะสติเนี่ยเมื่อกำลังกายเราทีแรกออนแอไม่มีกำลังเ่ยถ้าเราออกกําลังกายโดยวความแข็งแรงก็เกิดขึ้นความแข็งแรงอันนี้เป็นกําลังของกายสติก็เป็นกําลังของจิตทําให้จิตมีกําลังเพิ่มขึ้นสมาธิก็เป็นกําลังของจิตทําให้จิตแน่วแน่ขึ้นปัญญาก็เป็นกําลังของจิต เพื่อให้จิตเนี่ยปล่อยวางจิตรู้เมื่อจิตรู้แล้วจิตก็ค่อยปล่อยปล่อยมันก็กลับคืนมาจิตพร้อมกับกําลังที่มันมีขึ้นมาความเพียรความพยายามความอดทนก็เป็นเรื่องของจิตที่มันเพียรมันพยายามมันอดทนมันก็อลิกปฏิบัติเพราะฉะนั้นกําลังของจิตก็เพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นเริ่มตั้งแต่เราเดินทางขึ้นมามันเป็นการปฏิบัติโดยตรงถ้าหากว่าเราสํารวมจิตของเราแล้วก็เฝ้าดู ก็อห็นสภาพกายมันก็ทํางานสภาพจิเนี่ยระบบของจิตมันก็ทํางานไปเนมันระบบของร่างกายรูปธรรมมันก็เป็นระบบหนึ่งมันก็ทํางานไปตามธรรมชาติของมันไงร่างกายเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกแต่ว่ามันไปทำตาไปตามธรรมชาติที่สูงถ้ามันเดินขึ้นสูงขึ้นมันเหนื่อยมันก็ต้องหายใจเร็วขึ้นแรงขึ้นหัวใจก็ต้องทํางานมากขึ้นสูดฉีดโลหิตก็เร็วขึ้น ปอก็ต้องตําหออรือว่าฟอกโลหิตเร็วขึ้นมันมันก็สัมพันธ์กันไปหมดทุกระบบของร่างกายการย่อยอาหารมันก็ต้องย่อยเพื่อที่จะส่งอาหารไปเลี้ยงร่างกายอย่เนี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี้อร่างกายก็จะทําทงานไปมันก็ส่งให้รูั่วเนี่ยเริ่มเหนื่ยแล้วนะเนี่ยมันต้องมีเวทนาทางกายใช่ไมมันเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่เราไปสร้างขึ้นมาเราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิด สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเฝ้าสังเกตเนี่ยท่านรู้ท่านก็เอามาสอนเราไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราก็คือมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งนี่เหตุปัจจัยเราก็เลยได้มันมาเหตุปัจจัยที่ได้มาก็ได้มาตั้งแต่นูน้นแหละเรามีกรรมสร้างกรรมสร้างอะไรต่ออะไรแล้วก็มีความหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเรากรรมก็เลยเป็นของเราเก็บเอาไว้ผลของกรรมมันก็เลยส่งผล ให้เราต้องมาหารูปนามเนี่ยกายใจอันนี้เพื่อลองรับกรรมหล่อน้ำถ้ากรรมดีให้ผลเราก็ได้เจอสิ่งดีๆอย่างในบางประเทศดีๆอย่างเนี้ยเนี่ยกรรมดีให้ผลหมายว่าเราเคยทําบุญชุ่มามเคยฟังธรรมพระพุทธเจ้าเคยอกพุทปฏิบัติรับสารีิภาวนาตามความสอนของพระพุทธเจ้าทิ่งเหล่านี้ก็ผักดันทําให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแก่เรานี่มันเป็นผลแห่งความดีของเรา นี่เหตุปัจจัยทั้งหมดที่มันจะได้มารวมมาถึงวันนี้แม้เดี๋ยวนี้ก็ตา่างบางทีก็กระทบสิ่งที่ไม่ดีด้วยขนานมาถึงประเทศอินเดียตามลอยบาพคนจเจ้ามาบางทีก็ไปเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกใจมันก็ทบกระเทือนเข้าถึงจิตเราเหมือนกันนี่มีเหตุปัจจัยหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมันส่งผลมาเราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าเอออันนี้เนี่ย มันเป็นระบบอันหนึ่งระบบของธรรมชาติถ้าหากว่าเรายังงละเมินชีวิตไปมีตัวเรามีความรุ่มความหลงอยู่นี้ก็ต้องเบียดเกิดเบียดตายอย่า ง, างแล้วแล้วเราแต่ถ้าพยายามที่จะรู้ความจริงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจิตถึงจะรู้ทางออกถึงจะรู้วิธีปลดปล่อยความรุ่มหลงความยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวเป็นตนอย่างเหนียแน่น มันก็จะค่อยจางลายไปเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราเฝ้าดูเราก็จะเห็นว่าธรรมชาติของรูปธรรมคือร่างกายนี้มันเป็นระบบ อ, อันหนึ่งมันจะทํา ง, งานของมันเองเมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมกับสภาวะของธรรมชาติของร่างกายอันนี้ยมันก็จะมีขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นแหละเราเดินสูงเราเดินขึ้นมาแล้วมันหยู่บ้างแต่ว่า ผลที่ได้รับคือร่างกายเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นสูบฉีดโดยหุกก่นเร็วขึ้นเลือดลมวิ่งสะดวกขึ้นการย่อยอาหารดีขึ้นได้ออกกำลังกายเลือดลมวิ่งสะดวกความมึนความซึ้นความรู้สึกเหนื่อยเมื่อไลาก็อาจจะมีขึ้นก็นได้ขณะเดียวกันมันก็จะบอกกระตุ้นเตือนว่านี่เราเหนื่อยแล้วน ะ, ะถ้ามันเหนื่อยมากเราก็พักกระดับ ระบบนั้นระบบนี้มันทำงานให้มันไปมันควรทำยังไงเราก็ทำได้ตามความเหมาะสมอันนี้คือหน้าที่ของเราเรารู้แล้วว่าระบบธรรมชาติอันนี้เราจำเป็นต้องใช้สอยมันแต่เพราะนั้นเราก็ต้องรักษามันตามความเหมาะสมแต่ไม่ใช่ไปลุ่มหลมมงมันเยึบติดข้อมันบารุงบาเลอปลนเพอเอาใจมันไม่ใช่อย่างนั้นทำให้เหมาะสมกับสภาพของมัน แล้วก็ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เรายัมีชีวิตอยู่นั่นก็คือสามารถที่จะทาําตามทํางานหล่อเลี้ยงชีวิตเราไปได้ขณะเดียวกันเราก็เอามาประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจของเราเข้าถึงความจริงมากขึ้นได้เรื่อยมีอันนี้ถ้าอย่างนี้แล้วประเสริฐที่สุดเลยดีที่สุดเลยเพราะว่าร่างกายก็ดําเนินไปได้ขณะเดียวกันจิตใจของเราก็สูงขึ้น เสริ่งขึ้นเนี่มันตรงกับาพระประสงค์ของพระพุทธเจ้หลักธรรมหลักการดาเนินชีวิตพุทเจ้าประทานเอาไว้ให้ก็คือหลักของการที่จะให้เข้าไปถึงความจริงนู้นควา ม, นน ม, มจริงแล้วก็ดําเนินชีวิตไปด้วยให้มันสูงขึ้นประเสริ่ขึ้นดีงามขึ้นคทุกต้องน้อยลงไปงนี่เนี่ยทีนี้ระบบของจิตใจระบบของจิตใจมันรวดเนวจีแค่เดินขึ้นมาที่ข้างทางก็จะมี อะไรต่ออะไรเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างสัมผัสบ้างยื่นมายื่นมือเสนอนั่นเสนอนี่ทำนั่นทํานี่ใจของเรามันก็เร็วอ่ะมันต้องมีปฏิกิริยาของจิตอันนี้ทำไมได้เปนธรรมชาติผมต้องนึกไปคุ้ไปเมื่อกีเดินมาเขาก็มาเดินมาอาจารย์อาจารเราอามือดันดันช่วยเออผมก็สบายขึ้นนิดหนึ่งเหมือนกันเลยนะแต่จิตของเรามันก็อดทิ้ไม่ได้มันีแสดงว่ามันอยากได้อะไรตอบแทนเราได้ไหม เออแลเราไม่มีรูปจิตจะทำยังไงวันเนี่ยเกื่องอะไรอยากขอขึ้นมาเราก็จะอะไรเขามาดันเองแล้วเขาก็คิดตามันมันห้ามไม่ได้นึ่เราก็ดูอยู่นะดูอยู่จิตของเรามันก็ว่าไปตามเลือกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตเพราะธรรมจิตเนี่ยเป็นธรรมชา ต, ธรรชาติธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้อารมณ์เขามาดันก็รู้แล้วแล้วมันก็น้อมไปสู่อารมณ์มันก็เริ่มที่จะจูงแต่งขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไม่คิดจูงแต่งอารมณ์ขึ้นมาอันนี้เป็นปฏิทียาของจิตเป็นธรรมชาติของจิต เรารู้หรือไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ก็เดี๋ยวปูนแต่งไปก็เป็นตัวตนขึ้นมาอยู่แล้วเดี๋ยวไม่พอใจก็ปูนแต่งไปในทางไม่พอใจพอใจก็ปูนแต่งไปในทางไม่พอใจก็เป็นเราขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เห็นอยู่เอานี่มันมันเป็นปฏิยาของจิตเป็นเรื่องของจิตธรรมชาติของจิตมันเป็นต้นฐานชนิดหนึ่งมันปูนแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปอ่ะมันไม่มีอะไรกับเราเราแค่ดูถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นใจอีกแล้วมันก็เป็นเรา เป็นเราอย่างนั้นเป็นเราอย่างนี้เขา อ, อย่างนั้นเขา อ, อย่างนีน้เราอย่างนั้นเราอย่างนี้คราวนี้มันก็เลยมีน้ําหนักขึ้นในจิตเพราะความไม่รู้ของเราเองนี่พระพุทธเจ้าจึงข้าสอนเลยนะให้พยายามีจะตถูกไว้รักษาจิตไว้อันนี้เป็นทางออกของจิตใจไม่เป็นมรรคเป็นวิถีทางดําเนินถีตไปเพื่อที่จะทําให้ความทุกข์มันไม่เข้ามากุม้มลิ้นจิต แต่ทางกายเนี่ยมันห้ามไม่ได้เพราะระบบของร่างกายมันมีระบบหนึ่งเป็นระบบที่เหมือนกับเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาทําให้ถูกต้องตามระบบของร่างกายแต่ระบบของจิตใจนี่มันรวดเร็วมากเลยมันมีความลุ่มหลงอยู่ในจิตของเราด้วยมันมีรู้หรือไม่รู้อยู่ในจิตของเราถ้ารู้ไม่ทุกถ้าไม่รู้เอาทุกเข้าเบถ้ารู้รู้แล้วก็าวางเฉยได้ เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีไม่เศ้าทุกข์ขึ้นมาให้สจิตแต่ถ้าไม่รูหลงไปเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเป็นเลื่อนเป็นราวขึ้นมาดีทันจิตใจมันก็เลยเอาทุกข์เข้ามาทางจิตใจของเราเพราะนั้นจิตใจเนี่ยมันจริงเป็นธรรมชาติที่รวดเร็ว ม, มากแต่จิตยาของมันเร็เวจนกระทั่งเราหลงคิดว่าเป็นตัวเราไปหมดเลยพอเราต้องเด็กเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องอาศัยจิตเราอ่ะ เราจะทําอะไรเราต้องใช้จิตคิดใช้จิตพิดเจรณาใช้จิตไตรตรองใช้จิตเรียนรู้ใช้จิตศึกษาใช้จิตทําความเข้าใจถ้าไม่ใช่จิตไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรเดี๋ยวมันก็สงสัยไปเพราะอะไรเพราะเราเข้าไม่ถึงเรายังเข้าไม่ถึงจิตสูงขึ้ว่าธรรมชาติเป็นจิตเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งตอนนี้ร่างกายมีพอพูดกันได้พอเข้าใจ เพราะมันเห็นอยู่อ่ะพรตัวจิตนี้ออกมาลุ้งไปเห็นนะทุกคนก็พอเข้าใจได้หรือเราก็เคยไปเผาพคนตายเห็นคนตายวิญญาณสัตว์ตายจิตของเขาเนี่มันก็ไปแล้วจำไวก่อนเคยไปไปฏิบัติที่ภูผาพึ่งข้างบนมาเป็นถ้าแล้วก็สงูงขึ้นไปไม่ค่อยคืนใครรบกวนอากาศดีมากบริสุทธิ์ถ้ำก็ยาวเดนินจิตลมได้ทั้งวัน แล้วสถานที่มันกกว้างย้ายไปย้ายมาได้ตรงนี้เดือดไปย้ายไปถ้นย า, ยปานั้นย้ายไปผานั้นย้ายไปดูตรงนั้นเอาถ้ำตอนคืนก็เดินไปตามเขาตามทางที่เขาหาของต่อมันก็ได้ต่อสู้กับตัวเองเห็นความรู้สึกมี้คิความตึงตระของตัวเองมันทําให้รู้จักตัวเองมากแต่ทีนี้มีวันหนึ่งมันมันจากนั้นก็ยังสู่อย่างหนาเพราะว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเรื่อ้ถูกกระเจริบเรา ได้สู้กับเวทนาและแลวิตมันมีกำลังมากจนกระทั่งเราสมุต ก, กับตัวเองว่าเออถ้าตามใดที่เรายัางยึดเวทนาเวทนายังมีผลต่อจิตอยู่แสดงว่าเรายึดล่างกาเพราะเวทนากับร่างกายมันมีรูปกันเราก็เลยตั้ใจเอาไว้ว่าเอาอะไเอาเงเวทนานี้ไม่มีผลต่อจิตเราจรึงจะวางเวทนานี้ก็เลยสู้เวทนาดูทีนี้สู้บางครั้งมันแยงเลยะ โอ้โห و, มันนั่งสมาธิอธิษฐานจิตเอาไว้ถ้าไม่ถึงเวลาเราไม่ขยับพอมันเจ็บมันปวดมันรุนแรงขึ้นมาเนี่ยจิตมันถอดถอดใจเลยนะแต่มันถอดตอนออกมาแล้วนะออกมาแล้วมันเห็นความเจ็บความปวดความรุมแรงวองทุกขวเวทนาทางกายมีผลหรือวมันจะมีอะไรมาแทรกมาแทงก็อาจเจ็บได้ด้วยเพราะว่าลําพังจิตของเราก็มีปัญญาพอสมควรแต่ว่าพอทั้งฐานปรุงแต่งชทนิคที่ทําให้เราเนี่ย เกิดความยอดท้ออ่อนแอเนี่ยตัวจิตไม่ขึ้นเลยอ่ะเรียกว่าคืนนี้จะเอาใหม่คืนนี้จะเอาใหม่เพรมันไม่เอามันแหย่งมนเหมือนกับว่ามันไม่ไหวมันบอกเลยนะมันบอกไม่ไหวเนี่ยมันรับไม่ไหวนี่คณะทางกายมันลุกหนักมันเจ็บหนักมันบีบคั้นหนักนี่คือตัวจิตที่จะยึดมันตอนนั้นมันก็ยังเป็นจิตเราอยู่เป็นกายพอสมควรอ่ะมันเห็นบ้าง แต่ว่ามันไม่ถึงกับ ว, วาได้หมดุกก็เดินไปตามเขาเดินไปเดินเพื่ออยู่คนเดียวมันก็มีโอกาสที่จะได้หยุดแก้จิตใจของตัวเองไปเห็นหนูมันนอนตายอยู่มัแห้งแล้วด้วยนะชาบหนูแห้งๆเฮ้ยแล้วจิตมันไปไหนเนเอ้าจิตมันไปแล้วนี่แร่ า, างกายมันหละ่ะโอ้มันแห้งขนาดนี้ถ้ามันมีชี้ิอยู่มันต้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานเน่ะอ๋อจริงพราะจิตนี่เ อ, เ, อเหรอ มีได้สติขึ้นมาหลายปีโอ้มันชุ่มค้อยู่ต้องจิตแต่ถ้าตอนไม่เห็นซากหนูตายมันคิดยังไงก็ไม่ออกนะมันต้องได้อุปกรณ์ด้วยเนาะเอามาช่วยมันาะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันต้องได้ได้ได้เหมือนกับได้สิ่งที่มันกระตุ้นเตือนให้จุดของเราเนี่ยมันมีกาลังขึ้นมาได้บองทีปลุกใจทั้งที่รู้หมดแล้วแต่เอามาสอนจิตมันไม่ยอมเชื่อมันไม่รับฟังต้อใช้เวลาอยู่ตั้งครึ่งขั้นวันนะเด้อไม่ เราก็ไม่ถอยจิตก็ทํางานอยู่นั้นเนี่ยพยายามที่จะสร้างกําลังใจให้กัตัวเองปลกจิตปลกใจให้กับตัวเองพอเห็นสารางหนุนใจก็มันก็เลยคิดขึ้นมาว่าจิตเข้ามาัเนเวลาใกล้จะตายมันต้องเจ็บปวดทุกทรมานมากทรมานจนมันทนไม่ไหวจิตก็เลยทิ้งห ล, งลางกายไปแต่ร่ากายกับจิตไม่ได้สิ่เดียวกันเพราะนั้นที่เจ็บปวดนี่มันจปเรือ่องร่างกายเข้าน้ำปุ๊บัญญากับเคยมาเลยนะที่หนึ่ที่มันเคยพอใจที่เคยพอใจที่เคย อ่อนเกิดความแยงในทุกการพนานี่มันายไปหมดเลยอันนี้เนี่ยในจิตของเราเนี่ยโอ้โหมันรวดเหลวมากเลยนะเราไปเชื่อมันไม่ได้บางทีมันก็ทําให้เราแยงทําให้เราเบื่อหน่ายทำให้เร า, เนนาทนไม่ไหวสู้ไม่ไหวแต่พอลองใช้ปัญญาอบรมไปอบรมมากลายเป็นความกล้ า, าหาญขึ้นมาอีกแบบกพร้อมเลยวางหนูเไว้เดินจงกรม เดินไปจะทำเลือมดูหมูทีหนึ่เดินไปทำเลอมดูหมูที่นึ่งจิตก็หมุนตัวเห็นเร่างกายจะจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันแน่นอนเด็กขาดลงไปโอ้ทีนี้จิตล่าเริงเบิกบานเลใต้ไหนก็ได้เดกกลางคืนแล้วจริงคนตกของถึงจะเอายังไงก็ได้จะนั่งชั่วในนาะกระดับจะเดินเข้าไปในป่าก็ะดัจะไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้มันก็้าหาขึ้นมันละแต่มันเหมือนกับว่าเธรรมชาติของร่างกายขนาดนี้แสดงว่าไม่ใช่ของเรา แม้ตัวจิตเองเนี่ยก็เชื่อถือไม่ได้เดี๋ยวก็เรื่องนั้นขึ้นมาเดี๋ยวก็อย่างนี้ยคือมาเพราะดับไปหายไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยเห็นชัดๆอยู่ตั้งครึ่งค่อำวันคือความพ อ, อใจพอแท้อ่อนแอจิตจิตไม่ขึ้นแต่ว่าจิตมีกําลังกำลังเสรมขึ้นมาใหม่พร้อมที่จะสู้อีกแล้วก็นั่งดูจิตของตัวเองเดินดูจิตของตัวเองเหนือเลยเอาถึงลองเดินเข้าป่าเลย นี่ก็เริ่มเมาแล้วท่เนี่ยทางไม่เคยไปหรอกมันจะมีทางเข้าหาของฝากกลางคืนพอจะเริ่มไปไม่ฉายไฟไเลยนะเดีนก็้องงายๆหน่อยอ่ะพรเริ่มก้าวเข้าไปในป่าเท่านั้นแหละระวังงูนะเล่นๆๆมาอีกแล้วเอาธรามากินก็ค่อยว่ากันแต่นี้มันยังไม่มาอยู่กุงกูคุมจิตสอนจิตเดินเป็นคนเดียวพูดกับตัวเองอยู่ตลอดก็ดูจิตมันทา ง, งานไปเดี๋ยวมันตามดูกายดูจิตโอเคเท่านั้น ต่อมาเรื่องเรื่องกายมันก็เริ่มเริ่ม อ, อหายห่างมาแล้วมันก็สัาคันธ์เป็ น, นจิตแล้วเดินไปไม่รู้ไปไหนแต่ไปเจอถ้าถ้าเล็กๆไม่รู้อยู่ที่ไหนกลางวันมาไปหาก็ห า, ห า, หาไม่เห็นเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปตรงไหนอยู่ตรงไหนคือเดินไปเรี่ยตอนนั้นกิบมันมีกําลังมันไปได้ทุกฝนทุกแห่งก็คือขนั่งสมาธิปตบ๊บจิต้็ตล่นตลอดเลยทีนี้มันกระตือรือร พอมัตัวมันก็สดชื่นไม่อยากหลับไม่อยากนอนอะไรเลยนั่งสบายมัคนคนไม่อย่ากทำไอสมาธที่ลงไปนิ่งหยู่เฉยไอจึนตัวในที่นี้คือมันรู้รอบแล้วมันพักอยู่ทีเฉยก็เข้าสมาธิแบบหนึ่งแต่เป็นสมาธิที่มีความรู้ปัวด้วยรู้รอบๆเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสมาธิเนะี่ยสามารถรับรู้ได้อะไรเกิดขึ้นก็รู้จิตก็ยังแน่ๆอยู่เนี่ยเนี่ยคือเป็นความตั้งมั่นของจิตแต่การที่แบบ นิ่งแล้วก็ดึงเข้าไปอยู่ข้างในอันนี้เป็นแบบแบบตามอารมณ์เข้าไปแนละ้วไปพักอยู่เฉยๆหรือถ้าหาว่ามันลงไปพักก็จริงแต่ว่ามันรู้ด้วยมันสามารถรู้ได้ใช้จิตทางานได้เอามาดูกายดูเวทนาจิตหรือว่าดูลูกขัน<ม>เวทนาขันมีลักษันลังกาลขันยานาขันได้ถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันทํางานได้ด้วยเวลาพักต่อพักอยู่ในงานนั่นแหละ พักอยู่อยากรู้อยากออกมาดูก็ดูได้อยากอยู่เฉยๆก็อยู่เฉยได้อย่างนี้แสดงว่าเนี่ยเป็นจิตตังมันขึ้นมาแล้วยิงว่งมื่เรามาถึงสถานที่แห่ง น, นี้มั น, ม, นมันทำให้นั้นนึกถึงความเปี่ยนของพระพุทธเจ้าได้ดีมากมักระตุ้นเตือนยิง่งเรามาสถานที่ง น, นี้เป็นที่มีจิตลูกคือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรทุกสละกริยาจนกระทั่งเห็นไปที่โอ้ไปจากที่นี่แหละภาพนั้นเนี่ย ทีนี้พอเราเนึกถึงภาพนั้นขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เห็นความเข่มแข็งของจิตใจของพระองค์ความดเด็กเดี่ยวความอาดานความมุ่งมั่นภายในพระไทยของพระองค์มันทําให้จิตเรามีกำลังแบดูที่เนี่ยพระพุทธเจ้ากว่าที่ท่านจะได้ธรรมะสะ่มธรรมะแล้วก็เอามาสอนเราบอกทางให้แก่เราผู้หลงทามอย่างเรามือนี่แได้รู้จักทาง เดินหาทางออกให้จกติดตัิเงได้เนี่ยพ่อองค์ต้องใช้ความภาคเพียงพยายามอดทนมาสละมเนสกระทั่งชีวิตเล่โอตาหานเอาเมือลูบตามตัวเนี่ยพโลมาโลมาคือขน เ, นเอฟมือออมาเลยขนาดนั้งเลยลาบขนนี่เน่าเลยโอตาหานขนาดนั้นไอนเรานี่มั น, มนยังไม่ได้ครึ่งหม่นของท่านเลยนะ เด็กก็หูวแล้วเดี๋ยวก็เอานั่นแล้วเดยกก็นิ่งแล้วเนี่ยของท่านลงเต็มที่เลยดูว่าอดก็อดจริงๆเลยให้รู้เลยว่าถ้ามันอดแล้วมันรู้ทําได้ไม่ต้องบันลิ้งแล้วถ้ามันไม่มันรู้ก็คือแน่ใจเลยว่ามันไม่ใช่ทางแน่นอนเลยมันก็เอาทุกอย่างตัง้งลมหายใจเข้าออกอะไรต่ออะไรนี่กีดานลงออกหูท่านทำหมดแล้วถึงแม้ ว, ว่าท่านจะรู้ว่าไม่ใช่ทางทีหลังประกาม แต่มันให้เห็นพระไทยที่เด็กเดี่ยวมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำเพื่อที่จ ะ, สะแสวงหาทางออกให้เป็นสุดเพื่อกระซิบทำเพื่อดับทุกข์ภายในใจิตใจเมื่อดับทุกข์ได้แล้วก็หวังที่จะนําเอาคําสอนเหล่านั้นมาสอนเราคือท่านพบเส้นทางทางที่จะทําดับทุกข์ภายในพระไทยได้แล้วก็ตั้งใจจะเอามาอบรมสั่งสองนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเน่วี่ยมากมุ่งมั่นบักบันมาก เย็มากพอระหดอดทนมากเพราะความตั้งใจอันนั้นแหละความมุ่งมั่นตรงนั้นแหละสามมาสาัมโพธิญาณแต่ท่ า, านนี้ว่าสามมาสามโพธิญาณก็หมายว่าญาณความรู้ที่เกิดจากการตัร้งรู้ด้วยพระ อ, องค์องที่ดับทุกในพรัทธยได้ด้วยพระองค์เองแล้วจึงจะนําเอาหลักธําเหล่านั้นมาประทานและให้แก่สาวกของพระองเช่นพวกเรานี้ เพราะฉะนั้นธรรมที่เราได้ยินใน้ฟังนี้มันไม่ใช่ธรรมที่ได้มาง่ายๆเลยนะเป็นธรรมที่ออกมาจากพระไทยอันเด็ยเดียวมุอเ ม, มัอนบากบันกดทนภาพเพียนท่าเยียวยาสละเมฆกระเที่ยวแล้วเราเนี่ยมันสบายกว่าพราะองค์เยอะมากเลยนะเราไม่ต้องไปไปทําแบบพระองค์ก็ได้เพราะพระโอวครบแล้ว รู้แล้วแต่จรู้เรียบร้อยเลยดับทุกได้ท่านในพระไทยได้เรียบร้อยนะเอาแค่คาสอนมาประทานเอาไว้ให้แล้วก็บอกว่าให้ปฏิบัติตามนี้นะไม่ต้องไปค้นคว้าอย่างอื่นไม่ต้องไปแสวงหาทางอื่นทำตามนี้ตามที่เราบอกนี้ตามที่เราสอนนี้ตามที่เราเดินตามทางที่เราวางเอาไว้ให้นี้เราเดินมาแล้วเราหลุดพ้นแล้วเราไม่มีทุกข์แล้วเอาหรือไม่เอาเนี่ย คล้ายกับไม่ง่ายเลยนะคือถ้าหาว่าใครใครพยามที่ทําตามพระพุทธเจไม่ต้องไปคิดเอาเองเหรอกเชื่อเพราะว่าสาวุ้งหมายว่าผู้ที่ยินได้ฟังแล้วเอามาปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นปัญญาของสาวก้งมีสองอย่างคือตามมรรคปัญญาได้ฟังเสียก่อนได้ฟังทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วก็ภาวนามรรคปัญญาเป็นปัญญายามที่เกิดที่นในจิตเรียกว่ามิตัศสน า, าญาณ ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีกินใจมันจะปัญญาเอาในถ้าระไตรปิฎกจะพูดปัญญาแค่สองนะพระเจ้ามีคิดเองได้คิดเองแล้วก็ตัดสินเองได้แต่สาวกนี่คิดเองไม่ได้ต้องได้ยินเด้ฟ่งไอ้ที่บอกว่ามีสุตตัมมันยังปัญญากินใจมนยังปัญญาอันนั้นคืออะนแล้วภาวนามัยัปัญญานี้มีมีมสองอย่างสาวกนี่ต้องสุดตามมยัปัญญาได้ฟัง เพรา้นเราไปไหนเราก็พยายามฟังธําของพระพุทธเจา้ารวมรถเราก็ฟังเอาเลี้ยงเล่าของพรเจาา้ามาก็ฟังมันเป็นวิถีทางการดําเนินชีวิตของพระพุทธเจา้าเป็นหลักธรรมที่จริงในสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าองค์การสอนคนทั่วไปนี่แหละให้ดาเนินชีวิตให้ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าสองอูางส่งเหมือนกับว่าจะเข้าไปเมื่อถึงเหมือนกับเป็นสิ่งที่มันศักดิ์สิทธิ์มันขงังก็เลยกลายเป็นมนต์เป็นคาถาเป็นอะไรเป็นหมดเลยคําสอนไอ้มนต์ที่เป็ น, น, ท, นท่องน่ย มันก็เป็นหลักคำของฮวงจั่วนั่นแหลูกฟั้งอานิจจังิพนานิจจาอะไรนั้นเนี่ยมันก็บอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราลูกก็มาี่เนี่ยลูกเป็นทุกข์อยู่เป็นอนัตตาอยู่แเนี่ยไอเราก็จะไปท่องทเป็นขังเป็นจับจิตอย่างนั้คนไม่รู้ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นมลเป็นอะไรไปเสียเนีแต่ที่จริงแล้วมันเป็นทางออกจากทุกข์ทางจิตใจแต่ว่ามันต้องได้มาด้วยอาศัยการปฏิบัติคือต้องมีความเพียายามอบรมบ้าง เพื่อให้จิตเนี่ยมันมีกําลังสมาี่มีกําลังคิดใจมีกําลังแล้วก็ปัญญามันมีกําลังเพราะถ้ามันนี่กาลังมันไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ทุกข์มันจะเข้ามาใจที่อ่อนแอนั่นแหละมันทําให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลามันมีความทุกข์ขึ้นมาให้รู้เลยว่าจิตก็เราอ่อนแอแล้วมัน อ, อ่อนแอก็เพราะว่าเราขาดกําลังคือจิตสมาธิปัญญาขาดความเพียร ความศรัทธามันก็เลยทํำให้กําลังของจิตเนี่มัถดถอยลงไปพอมันถดถอยลงไปอ่อนแอลงไปอะไรมากระทบมันก็ซึมซับเข้าไปในจิตของเรามันก็ทราบทราบแต่ามจิตของเรามันก็ทําให้จิตเราเนี่ยเป็นฟู้งขึ้นมาอารมณ์ทั้งหลายก็เลยคุ้มลมจิตเหมือนเปั น, นเดียวกันกับจิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ย ต้องมีสติเพราะสตินี้เป็นกาลังของจิตมีสมาธิสมาธิก็เป็นกำลังของจิตความเพียรก็เป็นกำลังของจิตศรัทธาก็เป็นกำลังของจิตแล้วปัญญาก็เป็นกำลังของจิตเมื่อจิตมีกำลังจิตก็จะถอยออกมาเป็นอุสระได้อย่างตอนนี้เราดูได้ถ้าจิตของเราเริ่มมีกำลังขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอจิตเรามีแค่ว่างว่องว่องไวขึ้นกว่าเดิม รับรู้อะไรได้มากกว่าเดิมแล้วก็จิตก็มั่นคงกว่าเดิมแล้วจิตก็ไม่ค่อยยึดติดข้องอะไรอะ่ะจิตเหมือนกับว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกับอยู่กับตัวเองได้นี่ถ้ามันอยู่กับตัวเองได้นี่แหละมันมีนมกําลังแลนะหรือถ้ามึงมีวอนมาก็ตามนะมันคอยเอามาดูได้เลยตั้งสติขึ้นมาแล้วเราเป็นผู้ดูเท่านั้นเหมือนกับดึงจิตเราออกมาเหมือนกัให้ไม่ให้จิตของเราไปจมอยู่กับไอ ไอ้ความงงความน่วงความชึมเศราของร่างกายไอ้ความน่วงความชึมนี่เป็อาการของร่างกายเท่านั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะตั้งสติทขึ้นมาแล้วก็เพ่งให้แร ง, ง, งขึ้นเนี่ยทําเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ดูอะทําเหมือนผู้ดูอะตั้งใจดูพอะแค่ตั้งใจดูนี่แหละเมื่อเราขอยออกมาแล้วมันก็จะเห็นว่าโอ๊ย อ, อาการงงน่วงมีอาการอย่างไงบ้างบริเวณไหนเห็นด้วย ต้องคิ้วตรงตามันหนักหนักตรงหน้าผากมันหนักหนักมันมีอาการชุมชุ่มยาการดึงจิตเราลงไปจมอยู่กัสิ่งนั้นเค้านี่ขอขอนุญาตเราเป็นผู้ ด, ดูอาการเหล่านั้นเป็นสิ่งถูกดูไปหมดเลยนั่นแสดงว่าจิตของเราไม่ได้จมอยู่กับอาการเหล่านั้นมันก็แยกจิตออกมาจัดกายได้อีกว่าเนี่ยแทนที่ไอนิวร์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องกั้งมันก็เป็นเครื่องมือฝึกจิตเราอีกแบบเนึ่ง ตั้งสติขึ้นมาเห็นเลยว่านิวรณ น, นึ้นที่เราไม่ใช่จิดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตรงเราจิตเราเป็นผู้ดูยิ่งถ้ามีนิวรณ์เข้ามาเป็นเครื่องทดสอบนะมันตื่นมันตื่นมันตั้งใจอะ่ะแต่ถ้าใครง่วงแล้วก็ปล่อยให้มันซึมเข้าไปมันไปจมอยู่วความซึมเป็นลำเดียวของความซึมยมันซึมอยู่ตลอดเลยนะแก้ไม่ได้แนละ้วคน น, นั้นเนาะถ้าปล่อยมันซึมอยู่ตลอดแต่ถ้าวันเริ่มจะซึมปับ๊บไม่ได้นี่เราเป็นผู้ดูจิตเนี่ยเป็นภาพรู้ เปน็นยินเย็นนเป็นภาารู้เป็นผูร้รู้เป็นผู้ดูเฉยๆดังนความร่วงความซึมมันเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกดูเป็นสิ่งถูกรู้เราตั้งสติขึ้นมาเมือนจะคอยจิตออกมาดูมือก็ะมายืนดูตรงตัวดูเนี่ยมันก็เป็นจิต ท, ที่มีปัญญามีสติมีสมาธิาธปัญญาเป็นผู้ดูก่อนตัวนในความร่วง ค, ความซึมนั้นก็เป็นระบบของร่างกายเนี่ยระบบของาธาตุขันธ์น่ะนี่เราก็ได้ปัญญาขึ้นมาหมด และถ้าใครเคยต่อสู้แบบนี้เนะตอนหลังมันมาใหม่มันจะรู้เร็วขึ้นมันจะเหมือนกับมันดึงติดออกมาได้เมือถอยจิตออกมาไดา้ถ้าเวลาไหนที่มันมันถอยมาไม่ได้ก็รู้เลยว่าอ้สภาพร่างกายเราไม่ไหวจริงๆถอยมายัางไงยังไงก็ต้องรับต้องยอมรับเดี๋ยมันก็จะนอนทักได้คล้ายๆมันรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นต้องฝึกซะก่นอนเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยว่า เ, ออเรามาในสถานที่ที่พระพุทธเจ้า ทรเสียสละทําความเพียรแม้ว่าในสมัยนั้นพระองค์ก็กําลังแสวงหาทางออกอจะทํายังไงจิตใจถึงจะไม่มีทุกข์ก็คิดว่าการการที่ต้องต่อสู้กับทุกขเวทนาทุกรูปแบบนี้มันจะเป็นทางออกแต่ว่าสิ่งที่เราเราเรามีเรียนรู้ศึกษาก็คือว่าทัศไทยของพระองค์นั้นมันมีความบูรณามีความเด็ดเดี่ยวมีความอาฆาณ ก็เสียสลาดแม้กระทั่งชีวิตเพื่อการตัดสรุปธรรมตัดสรุปธรรมก็คือตัดสรู้ทางออกจากทุกนันเองคือจับทุกในพระภัยในฐานะอนมันก็ไม่ใช่เรื่องอื่แล้วก็คือเรื่องจิตของแต่ละคนนี่แหละเพราะเกิดมาแล้วมันก็มีทุกอยู่ในจิตใจเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสาวกษาดาเนี่ยเราจึงไม่ว้าเหวนะเรามีทางออกนะ อย่างวันนั้นที่เขามาว่ามาจากประเทศเวลรมันนะเขาก็พยายามที่จะสื่อบอกเราเขาก็ทําไม้ทํามือทําเป็นเหมือนว่าจิตของเขามันเหมือนคลื่นเหมือนอะไรอย่า้เราก็ฟังไม่เข้าใจอ่ะแต่พอรู้ได้ว่าจิตของเขามันไม่สงบกําลังวุ่นวายเขาอยากหาหาใครสักคนหนึ่งอ่ะช่วยเขาพูดให้เขาเข้าใจว่าทายังไงจิตของเขามันจึงจะสงบจิตของเขาจึงจะไม่มีทุก่น เดี๋ยน really we ี <S at he> ้จิตของเขามันมีเรื่องราวมากมายเขาพยายามใช้มือของเขาแสดงเราดูแล้วเราก็ไม่รู้จักว่าอย่างแล้วก็พูดแต่สามจิตก็ไม่ค่อยได้แต่มองเขาออกแล้วรู้ว่าโอเขากำลังมีทุกอยู่เขากำลังแสวงหาทางออกแต่ประเทศของเขาเนี่ยไม่มีศาสนาหรือมีแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจอะเหมือนว่าเขาก็ยังกาลังแสวงหาให้อยู่เขาก็ดำดุลมาถึงสถานที่ มาถึงประเทศอินเดียนะแล้วเรามาเจอกันที่เมีองนาลันทามเราพยายามที่จะอธิบายอย่างนี้แ ล, แล้วก็เออมนก็เป็นกรรมของเราอย่างหนึ่งเนี่ยอธิบายให้เขฟังก็ไปสงสารก็สงสารทั้งเมตตาทั้งสงสารจะทําอะไรไม่ได้ก็ต้องวางอผ่าออก็เห็่ตระแหน่เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปเอาใครก็อธิบายได้อธิบายไปเหมืมันรู้ฟังได้ไม่นได้แต่เขาก็ทำไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่เนี๊ย ฝึกอะไรมามากมายเลยฟังทำมาคนที่จะฟังเข้าใจได้มันก็มีระดับแต่คนที่ยังยังไม่เข้าใจมันก็ต้องระดับหนึ่งหมายความว่าสอนให้มีสติก่อนนะพยายามมีสติการนี้งนิ้วหนึ่งแตว่าเมอเริ่มสติมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วเริ่มกุ้มจิตได้แล้วก็สอนให้รู้ว่านี่นะแยกตาแยกจิตออกมาที่อารมณ์แล้วมันก็เข้ามากุ้มลุมผิดได้ยังไง ก็เป็เพราะว่าเรามีความหลงนั่นเองมีตัวมีตน ม, มีตัวเรามีของเราอยู่ในนั้นก็ต้องพยายามมาให้เห็นนาะพอะเวลาเราปฏิบัติพอสักทีเป็นควบคุมจิตได้แล้วก็ต้องให้มันมาเห็นการทํางานของข่ายห้าหรือว่าจะเริญสติปัญหาสี่เพราะฉนั้นถ้าหาว่าแยกแยกเรื่องการปฏิบัติแบ่งเป็นสมส่วนอันที่หนึ่งพื้นฐานภูมิจิตเช่รักษาศีลให้ทำทําบุญทำกุศลคุณงามความดีพวกเรานี้เป็นขั้นต้นหรือมีความเห็นที้ถูกชี้ตรง เปิดเวลาเวลาสาวกของลงไปขอกรรมฐานไปขอฟังว่าคุณเจ้าก็บอกว่าเออให้ปฏิบัติเบื้องต้นในในกุศลธรรมให้ได้ก่อนคือปฏิบัติเบื้องต้นในกุศลธรรมคือคือทำจิตให้เป็นจุดตผยก่อนสองอย่างก็คืออันที่หนึ่งจะเป็นศีลอันที่สองทำมาพิจิตรความเห็นที่ถูกทุดโง่เชื่อเรื่องการให้ทานเรื่องการบูชาผู้มีพระคุณ การทำสาธารณะประโยชนการเสียสละขึ้นกันเลิกกัรการเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อโลกนี้โลกหน้าเชื่อดามีคุณมารดามีคุณโอปอลิกะมีคุณพระพุทธเจ้าผูดแต่สรุปธรรมมีทางหาทางออกจะรุกได้แล้วก็สามารถประทานคําสอนไว้ให้สาวกขององค์เป็นักตามมูลจริยามันก็มีความเห็นตรงถูกต้อง สิระพงก็จะสอนการเจริญสื่อสารสีระขั้นต่อไปก็จะเริ่สติบางทีบางคนไปท่านก็สอนว่าเออให้เริ่มมีสีนนะแล้วก็ทคำนวนสีนะอันนี้จะประมาณในการโมลิโกนะอันนี้เป็นพื้นฐานหมดเลยแล้วก็ให้อาพิญญาลิ้นโยกที่ทำความเพียรเดี๋ยวจะก็นั่นงภานาจะเริ่สติทุกปิยาบด แล้วจากนั้นก็พยายามนั่งสมาธิแล้วก็ต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้ในสุดท้ายมันจะต้องมีนิรณ์เนนะียอันจุดข อ, ของเราเนี่ยเวลาเวลาเราเรากระทบอารมณ์แบบมก็จะมีเรื่องราวเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะมาค้างอยู่ในจิตเรามาค้างอยู่ในจิตเราทั้งทางกายระบบของร่างกายมันก็มีผลทำให้ม่วงซึมเศร้าได้ด้วย มันก็เลยทาให้ปิดของเราเนี่ยมันยังไม่ข้ามไปเพราะกาลังมันยังไม่พอแต่คนปฏิบัตินี่มันจึิงมีนิวรณ์เชียวนิวรณ์จึงมองอย่างงี้หนึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือชกจิตเราให้สร้างกําลังอยูให้เข้มแข็งให้ดึงเนื้อนิวรณ์ได้เมื่อเนื้อนิวรณ์ได้แล้วผ่านนิวณ์แล้วมันจึงจะตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วจึงจะมาเห็นว่าขนันห้านี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปปันเรียนนาขันพูนยาขันเรื่องการขันเนยนาขั น, น, นจิตของเราเมื่อตั้งมั่นแล้วมันเห็นตรงนี้มันทํางานเวทนามาอย่างนี้มันมองดูก็เห็นแล้วนี่หน้าตาของเวทนาเป็นอย่างนี้แหละเห็นของกินเลยเวทนาไม้เห็นนี่เลยถ้าเวทนามันพูดได้มันจะบอกนี่ข้าพเจ้าคือเรียนธนานะอย่ามายึดข้อข้าพเจ้านะเพราะข้าพเจ้าเป็นเวทนาเชนนีหนึ่งเมื่อนั่งนาน เมียนาก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่อย่าไปหลงว่าเข้าไปเจ้าเป็นธรรมนะเมียนาเป็นเราเป็นของเราเป็นไปไม่ได้เพราะเมีธนามันก็บือเมีธนาเป็นความรู้สึกเคลืเฉลีความรู้สึกทางกายเร า, านั่งนามมันก็แสดงความรู้สึกออกมามนี่ในนี้แบบคือเขาแสดงความจริงออกมาให้เห็นนะจากนั้นมันก็เข้าไปเปนเมียนาของจิที่จิตเป็นสมุนจิตไกินเข้ามาไปสมุนมาไปเอามาก็เป็นเมียนาของเราขึ้นมาอีกเรี่ย เรา ก, กุ้มรูปจิตได้อีกด้วยแต่เจ้าเราเห็นวน่าเป็นเวทนามันก็อยู่ส่วนเวทนาใช่ไเราก็มีปัญญาเห็นเวทนาชัดเจนโอเวทนาเป็นอย่างนี้นี่มก็เข้าทางของคุณเจ้ า, าทีนนา่นี้คือทุกนี้คือเวทนานี้คือทุกอันเดียวกันแหละอะไรจะเกิดขึ้นเรานี้คือทุกนี้คือสภาวะธรรมอันหนึ่งนี้คือธรรมชาติอันหนึ่งนี้คือสิ่งที่มี เหตปัจจัยแล้วก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองถ้าเห็นอย่างนี้แสดงว่าเห็นทุกทั้งหมรนี้คือทุกให้กําหน ด, ดรู้ก็มากําหนดรู้เที่อะไรเกิดขึ้นก็กําหนดรู้ให้หมดเมื่อรู้แล้วจิตมันก็วางเฉยหรือวางเฉยแสดงว่ามันปล่อยแล้วมันวางแล้วเพราะนคนจะปล่อยวางได้มันต้องเห็นเสก่อนนี้คือทุกหมายแสดงว่าต้องเห็นเห็นเฉพาะหน้านี้คือสมุทยัยหรือนี้คือเหตุแห่งทุกก็เห็นปาการณของมัน ที่มันก่อตัวขึ้นในจิตของเราจิตของเรามันขยับทำท่าจะเอาเข้ามาเป็นทุกข์แล้วนี่คือทุกนะข์นะเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันขยับมันมีความอยากความต้องการอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการไม่อยากให้เป็นอย่างที่มันเป็นก็ <S <S คือมีอุปทานไปนมันป่นไปหมายมันไปนยึดมันแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในจิตของเราเราก็เห็นมันเห็นนี้คือเหตุเห็งทุกข์แห่ แค่เราดูเฉยๆอย่างนี้มันถิตมีกำลังพลักงก้อนละก้อนมันแล้วนี้คือนีโลดความดับทุกคือทุกเป็นดับนี่คือมีโดลดหมายว่าทุกดับไม่มีทุกในจิตถ้าว่าตอนนี้ทุกไม่มีในจิตก็เรียกว่า น, นี้โลดดับนี้คือนีโดลดเราทาให้แจ้งแต่แจ้งแล้วคือทุกไม่มีทุกไม่เกิดแจ้งจริงๆคือทุกไม่เกิดเลยหมายถึงพระละหันแล้วขั้นสุดท้ายแล้วแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นมันซะก่อนเนี่ย ว่าเออมีอายเยสสตีนึงก็อยู่ในจิตของเรานี่ยอันเยสสตีนี้มันยังข้อปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ก็คือให้มากำหนดรู้นี้คือทุกข์ให้กำหนดรู้กำหนดรู้แล้วมันก็วางพอวางทุกข์แล้วเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่มีมีโลดดับทุกข์ชั่วคราวก็มีขึ้นมาทางควาบทุกข์ก็คือพยายามกำหนดรู้อยู่นั่นแหละกำลังปฏิบัติอยู่นั่นแหละพยายามดูอยู่นั่นแหละแต่ตัวนั้นก็เป็นมรรคหมดแหละ มีเพราะนั้นข้อปฏิบัติของผู้ธเจ้ า, านี้มันจริงไม่ว่าจะพูดอันไหนมันก็จะเป็นเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าเริ่มต้นก็คืออ้าวมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีนะก็คือว่าต้องรู้จักทำดีทำถูกต้องสร้างจุตศมขึ้นมามีศีลรือจะให้ทานรักษาศีลรู้จักเพื่อเที่ยวเก่ ค, คนอื่นนะเพื่อให้จิตเรานี่มันมีกาลังมีพื้นฐานที่ดีงาม แล้วจากนั้นก็คำนวณจิตนะเพื่อให้จิตนี่มีกําลังเป็นสมาธิมีขั้นสมาธิมันยิ่งมีสีนสมาธิขั้นต่อมาจิตตั้งมั่นแล้วให้รู้ความจริงรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปรู้ว่าไม่ใช่ของเราจิตที่มีกําลังมันเหมือนมันดูจิตตัวดูเมันเหมือนมันอยู่ตัวกับตัวเองตามลำพังแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดมาให้อยู่มาให้มาให้เราเห็นนะพอเราเห็นตั้งอย่ามันก็เป็นเราไม่ได้เพราะจิตเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งผุดผุดตายอีู่ก็ต้องมีสามส่วนเปือส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นฐานของเรามีพื้นฐานมีมอยู่แล้วก็เหลือสมาธิก็พยายามมีสติควบคุจมจิตรู้ทันจิตของตัวเองเพื่อให้จิตเป็นสมาธิแล้วใช้ช้อมรวมีสมาธิก็เกิดเลยพระมมันระวังไม่ให้อาลลงมาอะไรมาดึงดูดจิตให้มันไหลออกไปข้างนอกไม่มันเทินออกไปข้างนอกถ้าเทินออกไปจิตมันไหลออกไป ดัน้เราถูกดึมออกไปแล้วสมาธิึองเราก็ขาบหาไปจิตเราก็โลดมเล่นออกไปตายออกไปคิดนึกคุ้มแต่ขึ้นในจิตโดยที่เราไม่มีสติควบคุมเข้าไว้ถ้าคิดโดยที่มีสติควบคุมอันนั้นก็ยังเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดต้องสติจริงจคิดให้จบเลยคิดให้เป็นระบบคิดให้เป็นเรื่องเป็นจบไปเป็นเรื่องๆกําลังของจุตก็มันเสีย จิตก็มีกำลังนี่นีวิธีที่จะคิดไม่ใช่ดไม่เราต้องใช้จิตที่ไม่ใช้จิตแล้วเราจะไปใช้อะไรถูกแล้วเราต้องใช้จิตแต่คิดแบบมีสติกกับคิดแบบไม่มีสติคนละอย่างต้องสติแล้วคิดให้จบมันจะเป็นระบบคิดก็เป็นระบบคิดเป็นเรื่องเรื่องจบเป็นเรื่องเรื่องนี่การนึงคิดเรื่องเรื่องนี้ยังไม่จบไปเรื่องนั้นไปเรื่องนั้นไปเรื่องนั้นมันกลายเป็นความฟุ้งซ่าน จิก็ไม่มีกาลังเพราะนัคนที่ตั้งสติแลเวลาคิดคิดอย่ามีสตินี่เนี่ยเป็นจิตที่มีสมาธิในตัวแล้วความคิดแบบนั้นทําให้จิตมีกําลังเนียสติก็มีกําลังด้วยควบคุมจิตคิดเป็นระบบคุมเนีจิตก็มีกําลังเวลาจะคิดอะไรคิดได้รวดเร็วเด็ดเพราะในความคิดไม่มีอะไรแทรกแซงคิดเพื่อที่จะใช้ความคิดถ้ามันเป็นประโยชน์กับ ชีวิตของเรากับการทำนานต่างๆได้มีคุณภาพเด็กขณะที่คิดอยู่นั้นก็ไม่กลัวไม่กังวไลวไม่หวั่นไหวไม่มีความทุกข์เข้ามาแทรกแซงถ้าความทุกข์ที่มันขาดสติขณะที่คิดไปก็มันก็กลัวไปกังวลไปหวั่นไหวไปมีเรื่องมีน้ํามีแทรกเข้ามาอยู่ในความคิดนั้นนี้มันทําให้เป็นทุกข์ได้บางทีคิดแก้ปัญหาไปคิดไปกังวลไปกลัวไปหวั่นไหวไปอย่างเนี้ย มันก็เลยมันก็เลยเป็นทุกข์อีกแต่ถ้าคิดแก้ปัญหาเนี่ยต้องสะทึนขึ้นมาเละจับมาเลยเรื่องเนี้มันคืออะไรเหตุมันมาจากไหนแล้วจริงๆมันควรจะเป็นยังไงธรรมะจริงๆของมันควรเป็นยังไงนี้มันจะสรุปได้และก็เป็นธรรมะด้วยเป็นความดีเป็นความถูกต้องด้วยเพราะมันคิดด้วยจิตที่ไม่มีอะไรเจือป แต่ก็เลยเป็นธรรมะขึ้นมาได้แต่เพราะฉะนั้นการคิดเนี่ยก็เป็นธรเหมือนกันเ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาที่นี่ต่อไปก็ให้สํารวมให้ปฏิบัติตา ม, มากันนะตั้งสติขึ้นมานะหรือว่าปฏิบัติบูบชาก็ได้เราตามมาในที่นี้ก็ได้ประโยชน์มากเพราะ อ, อะไรมันมาสัมผัสกับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็เพียร แต็มกาลังสติปัญญาความสามารถถึงหกปีเต็มๆนี่เรามาแค่วันเดียวนะ แ, คแค่มาวันเดียวแล้วก็ไม่ถึงวันด้วยเแล้วพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นู่หมดไปเลยอะ่ะคนทุกยากลําบากอยู่บนเขายากลําบากและสมัยที่พระเจ้ายังอยู่ป่าเขามันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพมันจะอยู่ยังไงในสมัยนั้นน่ะถ้าไม่ได้ต่อสู้ด้วยกําลังจิดของตัวเองอ เพื่ออะไรเพื่อธรรมะเพื่อสัมมาสัมโพธิยาเพื่อปลาบจากทุกข์ในพระทยัยของ อ, อง์เท่านั้นเองไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนะไม่ได้หวังลาบยศสรรเสริญหวังเข้าของเงินทองให้คนนั้นมายกาาย่องสรรเสริญคนนั้นมากลับมาไหวมาเขาโลกมาบูชามาเพื่อทูนไม่ใช่หวังจะออกจากทุกข์อย่างเดียวเมื่อคนทุกข์แล้วจะเอาทางที่ข้อปฏิบัติที่เป็นปฏิบัติแล้วคนทุกข์อยงนี้ มาประทานเอาไว้ให้เหรือมาบอกทางแกคนหลงทางท่างหลายนี้จนมาถึงพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเรานี้มันจึงคุ้มค่ากับการมาเลยนะดุบูชาพระองค์ด้วยกายด้วยใจทั้งหลานี้ด้วยการปฏิบัติของเรานี้แล้วเอาการประพฤติปฏิบัติของพระองค์งนั้นี่ยมา เป็นแรงบันดาลใจว่เราเป็นสาวกของาศาสดาผู้ที่มีความภาพเพียรพยายามอดทนมุ่งมั่นบาปบันชนิดที่สลับชีวิตมาแล้วเราจะอ่อนแอไม่ได้ต่อไปเราจะอ่อนแออีกไม่ได้เนี่ยดังนั้นการเดินทางมาสถานที่แห่ง น, นี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราแต่ถ้เราเดินทางมาแล้ว มารับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับศาสด า, าของเราเองว่าพระองค์เนี่ยพระไทยเด็กเดียวขนาดไหนมุ่งมั่นบากบาันขนาดไหนมีความเพียรพยายามอดทนขนาดไหนสละได้แม้กระทั่ทงชีวิตคนทุกอยากลำบากอยู่ในสถานที่แห่งนี้ความโดดเดียวอ่างว่างเดียวดายไม่ต้องพูดถึงเนี่ย มันก็ต้องมีบ้างแหละถึงจะมีปัญจวัคคีมาคอยดูแลแต่ว่าในเวลาที่คนที่เป็นผู้นำมันจะมีจิตสำนึกที่ต้องรับชอบคนอื่นด้วยมันโอ้มั น, มนเจมหัวใจเลยนะใจก็ต้องแข็งแกร่งเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมงีความเพียรความพยายามอบรมที่ปธิบัติตามพระ อ, องค์เท่านั้นแหละเดี๋ยวจไปทาไปทดลองอย่างพระ อ, องค์อะ อเอาง่ายหเลยพงศ์สอนอย่างไงพยายามปฏิบัติตามให้มันถูกให้มันตรงพอแล้วแล้วมันจะเจรินขึ้นเองเหมือนพงค์สอนให้พยายามมีสติเพียรมีสติเพียงตัอพฤติปฏิบตัติไม่ต้องอยากสงบไม่ต้องอยากได้สมาธิไม่ต้องอยากได้ปัญญาเพียรไปเลยเพียรปฏิบตัติส่วนผลแล้วแต่วางผมเอาไว้แล้วก็ สร้างเหตุเรื่อยไปแต่ความเพียรอันนี้ต้องสอนให้มีความเพียรให้มากขึ้นไม่ใช่เพียรเล็ก ๆ, ๆน้อยๆแล้วจะมาบอกว่าโอ้ก็ทําแล้วตั้งมากมาไม่ใช่แบบนั้นเพียรเพียรให้มากเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนจิตตั้งมัน่นมันต้องไปสู่จิตตั้งมั่นเลยนะถ้ามันยังไม่ตั้งมัน่นแสดงมันยังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ง่วเดี๋ยวก็คืเดี๋ยวก็หายไปอย่างนี้มันยังไม่ตั้งมัน่น ตั้งมั่นมีไหมว่ามันแน่วแน่อยู่ข้างในอะไรเกิดขึ้นมันรู้โดยที่สิ่งเหล่านั้นไม่มีที่ปนต่อจิตไม่มีผลต่อจิตดิมันตั้งมั่นอย่างนันเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่จิตเราตั้งมั่นเราจะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นมันรู้อย่างรวดเร็วเลยคล่องแค่ว่องไวเลยจติตก็นุ่มนวลควรจะดการงานด้วยแล้วมันจะรู้เข้าใจได้เลยว่าเออไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ป็นแค่ธรรมชาติธรนมิ จิต ม, มีกําลังมันยิ่งมีความเจ็บความปวดขึ้นมานะคนะโอ้โหมันยิ่งมีเครื่องทดสอบเลยไหมยิ่งเป็นเครื่องสอนจิตอย่างดีเลยของตึมมาให้เห็นเลยของดีแล้วดีแล้วเออจี่มันเหมือนมองดูเอาร่างกายเท่านั้นนินาทำบางทีจิตมันก็ขยับบ้างแล้วไงมันจะไว้วไหมเนี่ยอะไรจะเห็นจิตจิตมันนึกมันคิดในที่มันก็เอไม่ไหวขยับดีไหมเอ้ว ก็ได้เห็นจิตเนี่ยตัวจิตนี้แหละมันก็รู้ว่ามันก็เป็นแค่กายแค่จิตเท่านั้นแหละพอไม่ไม่มีเราตัวเราความนี้ตัวเป็นเราไม่มีขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่าน ม, มานี้แหละาการเวลาปฏิ บ, ตบัติก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแหละนี่กายบางทีจิตเมันมต้องมีปัญญาขึ้นมาเความนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาแล้วก็เห็นอาการของจิต การของจิตเราจะมองว่ามันเป็นสังขารจะได้สังขารละขันธ์ก็แค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นแต่ตอนที่ดูแล้วมัเป็นดูจิตจะให้จิตนี่มันมีมันมีปรัชญาเกิดขึ้นมนเป็นการของจิตโดยตรงมมันไม่อยากจิดไม่อยากเปลี่ยนมันก็ปรุงขึ้นมาเราเห็นมั่นเห็นมันถ้าเราไม่เชื่อมันเดี๋ยวมันดับไปจริงๆนะดับไปต่อหน้าต่อตาเลยนั่นคือตัวปัญหาตรวนี้เพราะว่าตัญหา มันอยู่ในจิตเลยนะโอ้แต่ตอนนี้มันอยู่ในตำรับตำลาเยอะตัวหนึ่งสิพอมาปฏิบัติจริงๆโอโ้โหเวลาโผล่ขึ้นมานี่มันเสียแทงจิดหน้าดูเลยนะโดยเฉพาะเวลาที่มันเป็นเป็นยึดเวทนาเนี่ยหรือมันกําลังเจ็ดอยู่เนี่ยพอมันเจ็บรุนแรงขึ้น ม, มันทักเข้าไปในจิตเนี่ยโอ้โหอย่าบอกใครเลยนะมันเสียแทงใจเลยนะเห็นเลยว่าตัณหาเนี่ยที่เพราะว่าตัณหานี่มันเสียแทงใจข น, นนะาดเลยแค่ทนไม่ไหวอ่ะ เราไม่ไม่ตั้งท่าต่อสู้มนยิงสู้ไม่ไหวเนาะมังธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราไม่ต่อสู้ก็ธรรมดาเวลามันเจ็บเราก็ปลี่ยนิยาบทไปทเวลามันปวดก็เปลี่ยนิยาบทไปก็เป็นธรรมดาแต่เวลาต่อสู้เนี่ยต้องให้มันเห็นซะก่อนนี้ความจริงประจับใจให้มันได้จนแน่ใจเลยบางคนนี่แน่ใจเลยว่ามัน เ, เรื่องร่างกายเท่านั้นที่ค็บคั่นเท่านั้นก็ร่างกายทีนี้ได้ประโยชน์จากเวทนาเรียบร้อยแล้ว สู้หรือไม่สู้ไม่เป็นไรแล้วคือมันรู้หมดแล้วเต็มหัวใจแล้วอ๋อเพียงทนายก็แค่นั้นแหะเพราะเป็นเรื่องของร่างกายหรืจะเป็นทรมานมันทําำเอาเขาจะเป็นแบบหนึ่งนะแต่ตอนที่มันยังไม่รู้เนี่ยว่ามันยังไม่รู้จําเป็นต้องให้มันรู้กะนก่อนไม่อย่างนั้นจิตนี่มันก็แบบไม่รู้อ่ะมันจะเอาลูกน้องีมาอ้างแต่มันยังไม่รู้จริงอ่ะมันยังไม่เห็นในจิตเนี่ยต้องให้มันผ่านซะก่อนเห็นจะมันรับรองตัวเองได้เห็นแล้วแน่ใจแล้ว เวทนาทางายเท่านั้นจิตต้องเป็นจิตโออยังงี้เนี่ยไม่ต้องอาศัยเวทนาอีกได้เลยไม่ต้องไปต่อสู้ก็ได้แต่ถ้ามันยังไม่เด็ดขาดลงไปเนี่นะถ้ามีเวทนามาเนี่ยมันได้ต่อสู้มันได้เข้มแข็งนะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาจนรู้เลยอะว่าไม่ใช่ทางแต่นี้มันเป็นทางของพระเจ้าเหมือนกันที่เราปฏิบัตินี่คือเราสอนเองเวทนาก็ให้รู้เนี่ย สัจจะว่าเวทนาเวทนาขันธนะ์ตองแห่งเวทนาหรือเวทนาธาตุมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งในเวทนาจีเียวเวทนาธาตุก็ได้เวทนาขันธ์ก็ได้กองแห่งเวทนาเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นทางกายความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางจิตใจแต่ความรู้สึกเราก็จะได้เห็นชัดเจน ถ้าเห็นแล้วกินมันก็ปล่อยวางไอ้ขนาดนี้มันยังเป็นขนาดที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางของพระพุทธเจา้าถึงจะทุกข์บ้างแต่ว่ามีประโยชน์ไม่ใช่ทุกแบบไม่มีประโยชน์นะอัตตากินแล้มมวมาถามมันยอะมันทุกแบบไม่มีประโยชน์ทุกแบบทรมานตนแบบไม่มีประโยชน์อะไรแต่อันนี้มันมีประโยชน์เคยกิดเราเห็นรู้แล้วก็ให้กิดเราปล่อยวางได้ท่านอกว่าไม่ใช่ของเรา ยัทุกกปริธนาเป็นทับเทีนผู้เจ้าระสอบอยูนะ่เลในในปฏิปทาทั้งชีวิีเวตนาทับเทียนที่สุดนะพอมันเห็นเฉพาะหน้าอยู่ช่งได้หรือไม่ได้มันก็เห็นมันว่างได้หรือไม่ได้มันก็เห็นนะเรายอมรับมันหรือไม่ยอมรับมันว่าเป็นสัจธรรเวินาเราต้องเห็นในจิตเราเนี่ยถ้ามันยังวางยังไม่ได้แสดงว่านี่แหละปัญญามันยังเข้าไม่ถึงเนะี่ยเราก็ยังจิตคลองต่อไปอยู่ คราวนี้เราเด็ดขาดลงไปเหี้ยเมาเลยจะได้ให้เห็นการจับจ่อเลยว่าวางได้หรือวางไม่ได้ถ้ามันวางได้ระดับหนึ่งบก็ทนได้ระดับหนึ่งเอามันมาอีกทักตั้งใจดูอีกมันก็แค่อาการของกายาการของจิตเท่านั้นเองเรียนทางกายทางจิตนจนระดับหมดทนมาผ่านไปมัก็รู้ความจริงมากขึ้นเรือยเรืย่ยเรืย่ยเรื่ย ถ้ากำลังพอเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีผลต่อจิตเลยจิตวางเฉยได้เลยเก็บก็เก็บอยู่ไม่ใช่มันหายไปนะยิ่งมันหายไปก็มีบางทีก็ยังเก็บอยู่แต่ไม่มีผลต่อจิตอีกต่อไปแล้วอันนี้เรียกว่ามันเห็นด้วยมันก็วางเฉยได้ด้วยปล่อยวางได้จริงมีธนาก็าเป็นเธนาจิตก็เป็นจิตเออมันก็เข้าใจได้วยว่าร่างกายเป็นสภาวะทุกข์ นั่งนานก็เป็นทุกข์เนือยมันก็เข้าหลักทางวุฒเจ้าเแหละมานทุกข์ในที่นี้มันทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายก็มีโรคไัยไข้เจ็บอะไรต่ออะไรทุกข์กิเวทนาเวลานั่งนานๆอะไรอย่างเงี้ยทุกข์ทางจิตใจก็มีโศกกาปริเทวะทุกขะโทมานัสเต้าปายาสักกับโยกับทิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พัดทากับทิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์นี่มันทุกข์ทางจิตใจ เหมือนอย่างเราไม่อยากให้มันเกิดมันเกิดไม่อยากเจ็บมันเจ็บอย่างเนี้ยมันก็เป็นทุกข์ทางใจนี่คือเราไม่เห็นตัวทุกข์สภาวะทุกข์เราก็เลยไปเอาสิ่งเหล่นั้นมาเป็นทุกข์กับจิตเราในที่จะดับทุกข์ก็คือดับทุกข์ในจิตเรามีว่าริยสัจสี่ใชไหมว่าทุกข์ในจิตเรานี่เนี่ยมันก่อเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ของเราเราไม่รู้ก็ต้องหาทางให้มันรู้ ก็เลยมาปฏิบัติมาฝึกเพื่อให้มันรู้เมื่อมันรู้แล้วมันจึงจะต่อยได้รู้ก็คือนี่คือทุกข์เราเห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาเลยให้กำหนดรู้กำหนดรู้แล้วคราวนี้ไว้มาทุกข์เลยจิตมาอีกก็กำหนดด้วยอีกเอาจนมันวางได้จริงนุ่นถ้าวางได้จริงแล้วทีนี้ทํามันวางได้หมดจดมีนขาดเลยนะกลายเป็นกายหรือเวินาทางกายเป็นวิธนทางวันกาย ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการมร า, าคาเรื่องความรู้สึกอะไรปวดอุจจาระปัสวะเป็นเรื่องร่างกายแต่ว่าควรทํำยังไงก็ต้องทําด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องร่างกายเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรมันไม่ใช่ก็ต้องมาทําแต่ว่าไม่ให้มาทุกข์ทิพย์จิตเราคราวนี้มันเปลี่ยนทุกได้เฉพาะร่างกายไม่มาทุกข์ทิพย์จิตเวลามันทุกข์มันก็เห็นน่ะเห็นเฉพาะหน้าแล้วเอานี่ร่างร่างกายไม่ทุกข์ทิพย์จิตเนี่ย ดับทุก็กคือดับทุกในจิตขำว่า น, นี้โล ด, ดไม่มทุกดับทุกดับในจิตไม่มาทุกในจิตทุกจังการยังมีอยู่ไห้ยังมีอยู่ก็ตามแต่ไม่มาทุกทิจจุไม่ทําให้จิตเราเป็นทุกได้อีกต่อไปข้อนข้อปฏิบัติของพุทธเจ้าหมายถึงว่าทางออกของจิตไม่มาทุกทิจจุส่วนร่างกายนะหนูธรรมชาติของมันมันก็ต้องมีเจ็บมีปวดมีนุ่มมีชามีปวดมีใข้เป็นธรรมดา ทางจิตใจก็ต้องมีกระทบตลบเวลามันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือในใจมันคิดขึ้นมากระทบใจเหมือนกันแต่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเท่ทงนั้นเองมตาก็ต้องเห็ น, น, น, นเห็นกระจักษ์จึงเห็นถ้าไม่ทันมันก็มันรู้สึกอะไรขึ้นมาก็รู้สึกเห็นแล้วรู้สึกอย่างนี้แวบันในจิตก็รู้สึกรู้สึกแล้วมันทุกว่ายัางไงอีกจะทันต่อไปอีกทันต่อไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นทุกข์ก็ดับเร็วได้เท่านั้นนอกจากรู้หมเกดแล้วดับ เดี๋ยวก็จะมีอาการให้เห็นด้วยนะไม่ใช่ไม่เห็นนะส่วนคนที่หมดเกลแล้วเนี่ยเห็นแรบบ็พเข้ามาแร็พแล้วมีผลเติดติดเราแล้วเออมันก็ดับไปอีกแล้ ว, ลวมันก็ไม่ไม่สร้างเรื่องสร้างเราสร้างปัญหามาให้เราเห็นเท่านั้นเองแบบเกิดแล้วก็ดับไปอยู่อย่าเงี้ยมันจึงเห็นว่ามันเกิดดับมันจึงเห็นว่าสภาวะของจิตของคนเราเป็นกระแสของความเกิดดับเท่านั้นเองอะไรเกิดขึ้นเนี่ยวิญญาณจะรู้ปั๊บดับปั๊บ ตัวใหม่มาลุบปั๊บดับพับตัวใหม่มาลุบปั๊บดับพับอะไรเกิดขึ้นไปลุบปั๊บดับปั๊บดับปั๊บดับปั๊บดับปั๊บเหมือนกกระแสไฟฟ้าไม่มีจุดใดถ้าดูเข้าไปจริงๆก็เป็นอย่างเนี้นี่เป็จะเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นกระแสของความเกิดดับกระแสของชีวิตของคนเรามันไม่มันไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นแค่กระแสของความเกิดดับต่อเนื่องไปเฉยๆนี่พระเจ้าจึงยึดไม่ได้ คนที่เข้าถึงแล้วมันยึดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแท่กระแสแงความเกิดดับก็มองเห็นเหยาะคนนี้มันหลงอยู่หาเป็นตัวเป็นตนเป็นลูกเป็นร่า ง, เ ป, งเป็นนุ่นเป็นนี่อยู่นั่นหลงชัดๆนี่พระเจ้ารู้ในพระทัยชัดเจนแต่ทีนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตรงก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าปฏิบัติแล้วก็เอาได้ทําดไหก็ทําไปนั่นแหละอย่างน้อยได้เดินตามทางของพระเจ้าแล้วพองพระเจ้าว่าโอ้โหกว่าจี่จะตั้งรู้สร้างสมบารมีมาไม่รู้กี่พกี่ชท่า ในระสงขายะสงขายโอ้ต้อประมาณไม่ได้จริงนะแค่กลับมีเราก็ฟังเนี่ยยังไม่อยากพูดเลยนะเพราะมันนานมากเลยกลับกลับกลับอะไรเนี่ยไปอ่านในการหลักการคำนวณกลับกับเนี่ยแค่กลับแต่ละกลับแต่ละกลับนักธิการดูใครได้แล้วยิ่งสงขายเนี่ยโอ้โหหลายๆกลับหลายๆร้านร้านรากลับอะไรต่ออะไรเนี่ยเคยเห็นอยู่ตัวเลขมันขิดยกกำลังร้อยสี่หกอะไรเงี้วเนี่ยโอ้โหมันเนี่ยขิดก็เติมศูนย์เข้าไปร้อยสี่หกตัว ไม่รู้กี๋ร้านร้าน้านร้านร้ามันมันมันก็เลยประมาณนี้ได้ดีกว่าว่ามันนานมากเราพูดอย่างนี้เลยเพราะเราจะไปรอให้มันพุกอยู่ซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นร้านร้าน้านตี๋ต่อไปร้านร้านร้านคาบต่อไปมันไม่ไหวแล้วเมื่อพบทางของเจ้าล้วก็สร้างวารมีตามพระเจ้าไปถ้ามันพ้นในชาบนี้ก็เอาไม่พ้นชาบนี้ก็เอาคาบต่อไปก็ยังมีเหงนทางแล้วเอ แทนี้มันจะหลงวนเวียนอยู่กับว่าตัดทุกอย่นี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าให้รู้สึกว่าเออเราได้มีทางออกแล้วชาตินี้แหละผมได้พบทางออกแล้วได้เห็นทางออกแล้วแล้วก็ปฏิบัติและวจิตมันเข้าไปเห็นนี่จิตไม่ลมืเพราะนั้นบางคนจึงปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเคยสารวมสีลมาเนี่ยน็สำรวนได้ดีถ้าใครํานวนสีลมาด้วยได้เจริญสมาธิมาสานวนดีด้วยจิตสงบ ด, ด้วยเป็สนสมาธิ ด, ด้วยแต่ตัวปัญญาจะช้าหน่อยเพราะว่า ยังไม่ได้ปฏิบัติมาหรือปฏิบัติมันน้อยก็ต้องทำเคียนมากหน่อยส่วนคนที่เคยทํามาแล้วก็เร็วหน่อยแค่จอเข้าไปก็ถึงเจิสภาวะเข้ามันมันก็เกิดขึ้นเองเปเองขึ้นมารู้เองเห็นเองขึ้นมาได้อันนี้คือทําเคยทํามามากแล้วเกิดตั้งความปรารถนามาพอถึงเวลาเห็ุจังหวะขึ้นมามันก็รู้ก็เห็นเข้ามันไปอะไรอย่างนี้คือสร้างมาแล้วเป็นมาแล้วเมันก็ไปตามลาดับเลย เปลี่ปล่าเเปากันก็สุดท้ายนะแล้วเราจะหยุดละคนจะหยุดดให้มีข้อสรุปว่าวันนี้เรามาที่นแล้วเราได้รับประยชน์จิตของเราเป็นยังไงของเรเป็นยังไงมันเป็ยังไงทอะไรแล้วเราจะทายังไงกับจิตของเราต่อไปเ่อให้ประสกับที่เราตามสวด ของพระพุทธเจ้าตามรอยบาของพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าพระองค์ไปที่ไหนแล้วก็ตามไปตามไปโดยเฉพาะสังเวชในสถานชื่อห่งซึ่งเป็นสถานที่กระตุ้นเตือนจิต ข, ของเราในหันเข้ามาสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้าสนใจความจริงของชีวิตเรา แม้แต่สถานที่ทพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดละได้ในกระทั่งชีวิตของเราองค์เราก็ตามมาแล้วก็มหมให้ค่อซ้อนกับตัวเองว่าเราจะทํำยังไงในเมื่อตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้ามาขนาดนี้ครับเราจะหาทางออกให้กจิตของเราได้หอย่างอย่างน้อยก็พร้อม ที่จะปฏิบัติตามพระองค์ไปคุณภาพนี้ได้จะเอาถ้าไม่พ้ก็อเอามีอีบารมีสมบูรณ์เมื่อหลั่ถึงเมื่อไหร่ก็เอาเมื่อ น, นั้นก็เรียกวคุ้มค่าแนละ้วกการที่เราได้เดินทางมาอย่างประเเปี่ยมในครังนี้าสำํำรวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายหให้การปฏิบัติธรรมของชาวจีนในวันนี้ ติมเครื่องสักการบูชาแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยเราทแด่ประสงค์ข้าพเจ้าขอหมอกกายถวายสิริแด่พระพุทธเจ้าแด่เราทำแด่ประสงค์จะพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทนตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกแนวขัดสงสาร ถึงภนิษามด้วยเอแล้วก็จากนั้นก็ตั้งใจทุกบุญรวกดวมกําลังบุญของเราตั้งแต่ออดีตจนถึงปัจจุบันเข้ามารวมไว้ที่จิตใจของเราแล้วก็ตั้งใจทุกบุญความอำนาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดลบันดาบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่ออดีตจนถึงปัจจุบันให้่อเป็นญาติโยดาที่รักษาและนายดนงของพระองา์เจ้า ให้เกียาตเจวดาที่รักษาคนนายเรนของพ่อของแมนะ่สามีภรรยาลูกหลานขี่น้องญาติสนิทผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าให้เกิดดวงวิญญาณทั้งหลายที่ถิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ปกปัก ร, รักษาคู่ครองสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญอยู่ในขณะนี้นทุกจันทุกปีขอท่านทั้งหลายจป็ยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าในเ่ิด เมื่อร med ับเอาไปแล้ต้องทำสิ่ใดโดยสมความปารถนาดยอำนาจของวิญญาณท้าเจ้าได้อุทิศใหแล้วเมื่อสมความปารถนาแล้วให้ปกปักรักษาผู้ปกครองเพื่อเลี้ยงดูท้าวเจ้าทาสิ่งใดก็ให้มีแต่ความรากมีแต่ความสลกมีแต่ความเจริญงดเงิองมี่เกริดท้าวเจ้าจะมั่นทำบุญที้ตทกบ คตามความไู้สิกเป็นใจให้บุญนะเราอย่างที่คุณต้มต้มไปที่ไหนเราก็ย้ำได้เลยนะวันนี้ขอแค่นี้นะ